พระสูตรที่แสดงให้เห็นว่าชีวิตของโอปปาติกะเกิดขึ้นได้อย่างไรอันหนึง่งเพื่อต้องการที่จะให้ท่านผู้อ่านได้ทราบถึงหลักฐานเรื่องกายทิพย์จากพระไตรปิฎกซึ่งจะทำให้ท่านแน่ใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือได้จริงๆฉะนั้นจะขอคัดข้อความจากพระไตรปิฎกที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มาให้ท่านได้ศึกษาดังต่อไปนี้ ในบทบาทสูตรซึ่งมีอยู่ในคัมภีร์ทีฆานิกายศิลขันธวั์พระไตรปิฎกเล่มที่9มีข้อความอยู่ตอนหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดังนี้ทรงสนทนากับปธบาทซึ่งเป็นชื่อของปริพาโชกรูปหนึ่งซึ่งได้สนทนากับพระพุทธเจ้าด้วยเรื่องการดับสัญญาและอื่นๆหลายเรื่องดูก่อนบธบาทการได้อัตตามีอยู่สมอย่าง 1. อโอลาริโกโอตัตตปฏิลาโพการได้อัตตาที่หยาบ 2. มโนโมโยโอตัตตาปฏิลาโพการได้อัตตาที่เกิดจากใจ 3. าอารูปโออัตตาปติลาโพการได้อัตตาที่ไม่มีรูปปทบาต การได้อัตตาที่หยาบเป็นชนอัตตาใดซึ่งมีรูปประกอบด้วยธาตุสีบริโภคกาวลิงกราหารคือหมายถึงอาหารทุกชนิดที่คนกินได้ตามศัพท์แปลว่าอาหารที่ทำเป็นคำคำสำหรับใส่ปากการได้อัตตาเช่นนี้เรียกว่าการได้อัตตาที่หยาบ2 การได้อัตตาที่สําเร็จด้วยใจเป็นชไหนอัตตาใดาซึ่งมีรูปสําเร็จด้วยใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์บริบูรณ์การได้อัตตาเช่นนี้เรียกว่าการได้อัตตาที่สําเร็จด้วยใจ 3. การได้อัตตาที่ไม่มีรูปเป็นชไหนอัตตาใดาไม่มีรูปเป็นอัตตาที่สําเร็จด้วยสัญญา การได้อัตตาเช่นนี้เรียกว่าการได้อัตตาที่ไม่มีรูปสัญญาคือความจำได้หมายรู้ข้อความในพระสูตรนี้แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เรียกกันว่าเป็นอาัตตานั้นโดยปกติมีอยู่สามอย่างคือหนึ่งอัตตาที่หยาบซึ่งได้แก่ร่างกายของคนเราสอง อัตตาที่สำเร็จด้วยใจซึ่งได้แก่กายทิพย์หรือรูปร่างของโอปปปาติกะทั้งหลายผู้ที่มีกายทิพย์หรือที่เรียกในที่นี้ว่าอัตตาที่สำเร็จด้วยใจนั้นก็ได้แก่พวกที่เกิดในอบายภูมิสี่คือโรกเปรตอสุรกายเดยรชานและพวกที่ไปเกิดเป็นเทวดาและรู ป, ปพระพหมในภูมิต่างๆสำหรับในข้อนี้เดรชานที่เป็นโอปปาติกะก็มี ซึ่งจะเป็นคนละพวกกับเดรัชานที่อยู่ในหมวดของอัตตาหยาบนะครับ 3. อัตตาที่ไม่มีรูปซึ่งได้แก่พวกที่ได้อรูปประชานตายแล้วไปเกิดเป็นอรูปประพรมเฉพาะข้อที่สองที่กล่าวถึงอัตตาที่สำเร็จด้วยใจนั้นก็ท่านผู้อ่านได้โปรดสังเกตข้อความที่เป็นพุทธพจน์ให้ละเอียด เราจะทำให้เข้าใจเรื่องโอปะปะติกะหรือเรื่องกายทิพชัดเจนขึ้นซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าอัตตาที่สำเร็จด้วยใจนั้นเป็นอัตตาที่มีรูปมีอ ว, วัยวะน้อยใหญ่ครบท้วนมีอินทรียบริบูรณ์สำหรับท่านที่รู้ภาษาบาลีได้โปรดพิจารณาคำแปลเทียบกับคำบาลีด้วยดังต่อไปนี้ กตะ โ, โมโมโยอตัตตาปฏิลาโภรู ป, ปีม โ, โมโยสัพพังขปจังคีอหีนินทริโยอายังม โ, โมโยอตัตตาปฏิลาโภ